อภานาระหะมูลายะปฏิกัสนาธิว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อภานเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้นท่านพระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วควรแก่อภานต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันบอกแกภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัดหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักละกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วเป็นผู้ควรแก่อัภานต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไร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 เพื่ออาบัตตัวก่อนแล้วให้มานัดหราตรีภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สโมโุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้ละภิกษุทั้งหลายสงพึงชักภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้ละภิกษุทั้งหลายสง พึงให้สโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้ละภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มานัดหกราตรีอย่างนี้ละสงให้ละมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิการสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไวห้าวัน สงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้